เราจะให้กลึงปุ่มไม้จันร์นี้เป็นบาทผงไม้จันที่เหลือจะเก็บไว้ใช้แล้วให้บาทเป็นทานลำดับนั้นเศรษฐีชาวกรุงราชครึกให้กลึงปุ่มไม้จันนั้นเป็นบาทใส่สาแรกแขวนไว้ที่ปลายไม้ไผ่โดยผูกต่อๆกันขึ้นไปแล้วประกาศอย่างนี้ว่า สมณะหรือพรามรูปใดที่เป็นพระอรหันต์และมีฤทธิ์จงเหาะขึ้นไปปลดบาทที่เราให้แล้วนำไปเถิดครั้งนั้นเจ้าลัทธิปูรณกัสปะเข้าไปหาเศรษฐีชาวกรุงราชครึกถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชครึกดังนี้ว่า ขหบดีอาตมานี่แหละเป็นพระอรหันต์และมีฤทธิ์ท่านโปรดให้บาทแก่อาตมา เ, เถิดเศรษฐีตอบว่าถ้าท่านเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์ก็จงเหาะขึ้นไปปลดบาทที่เราให้แล้วเองเถิดครั้งนั้นเจ้าลัทธิมัคคลิโคสาละ เจ้าลัทธิอชิตเกตกำพมลเจ้าลัทธิปกุุทะกัจจายนะเจ้าลัทธิสัญชัยเวรัตบุตรเจ้าลัทธินิครนนาตบุตรเข้าไปหาเศรษฐีถึงที่อยู่ครั้นแล้วได้กล่าวกับเศรษฐีชาวกรุงราชครืดดังนี้ว่าขหะบดีอาตมานี่แหละเป็นพระอรหันและมีฤทธ ท่านโปรดให้บาตรแก่อัตมาเถิดเศรษฐีตอบว่าถ้าท่านเป็นพระอรหันต์มีฤทธิ์ก็จงเหาะขึ้นไปปลดบาตรที่เราให้แล้วเองเถิดครั้นเช้าวันหนึ่งท่านพระมหาโมคลานะกับท่านพระปิณโดลภาระทวาชะครองอันตรวาศ ถือบาทและจีวรเข้าไปบินทบาทในกรุงราชฤกษ์แม้ท่านพระปิณโดลภารทวาชะเป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์แม้ท่านพระมหาโมคคลานะก็เป็นพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์เช่นกันครั้งนั้นท่านพระปิณโดลภารทวชชะกล่าวกับท่านพระมหาโมคคลานะดังนี้ว่า ท่านโมคคัลลานะท่านเป็นพระอาราหาันและมีฤทธิ์ท่านจงไปปลดบาตรใบนั้นลงมาเถิดนั่นคือบาตรของท่านท่านพระมหาโมคคัลลานะกล่าวว่าท่านปิณโดลภารทวาชะท่านเป็นพระอาราหาันและเป็นผู้มีฤทธิ์ท่านจงไปปลดบาตรใบนั้นลงมาเถิด นั่นบาทของท่านลำดับนั้นท่านพระปินโดละารทวาชะได้เหาะขึ้นสู่ท้องฟ้าถือบาทนั้นลอยเวียนไปรอบกรุงราชคฤษสามรอบขณะนั้นเศรษฐีพร้อมกับบุตรภรรยายืนอยู่ในบ้านของตนประนมมือไหว้พลางนิมนต์ว่า ท่านพารทวาชะท่านปโปรดแวะหยุดในบ้านของพวกเราเถิดท่านพระปินโดลภารทวาชะแวะหยุดในบ้านของท่านเศรษฐีชาวกรุงราชครึ๊งลำดับนั้นเศรษฐีชาวกรุงราชครึ๊รับบาดจากมือท่านพระปินโดลภารทวาชะแล้ว บรรจุของเคี้ยวมีค่ามากจนเต็มบาทแล้วได้ถวายท่านครั้งนั้นท่านพระปินโดลภารทวชชะรับบาทแล้วกลับไปอารามคนทั้งหลายได้ทราบว่าพระคุณเจ้าปินโดลภารทวชชะปลดบาทของท่านเศรษฐีชาวกรุงราชครึลงมาแล้ว จึงพากันส่งเสียงอึกระทึกกึกก้องพากันติดตามท่านพระปิณโดลภาระทวาช้ไปพระผู้มีพระภาคทรงสดับเสียงอึกระทึกกึกก้องนั้นจึงตรัสเรียกท่านพระอานนท์มารับสั่งถามว่าอานนท์นั่นเสียงอึกระทึกกึกก้องอะไรท่านพระอานนท์กราบทูลว่า ท่านพระปินโดระารทวาชะเหาะขึ้นไปปลดบาตของเศรษฐีชาวกรุงราชครึคนทั้งหลายได้ทราบข่าวว่าพระกุณเจ้าปินโดระารัวาชะปลดบาตของเศรษฐีชาวกรุงราชครึลงมาแล้วจึงพากันส่งเสียงอึกทึกกึกก้องพากันติดตามท่านพระปินโดระารัวาชะไป นี่คือเสียงอึกทึกกึกกล้องนั้นพระพุทธเจ้าข้า